พรธรรมเทศนาจาดกเรื่องแปดแหล่งออกยอดผูกติดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยอินสมชัยชมพูปเปี่ยนทำพกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไ า, า้อะโมโตัสหาพก า, าวตโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสั เอวเมโซตังเอกังสมายญาปะกวาสาวัี่ยังบิหาติเจตาวเนอนาถาปินดีกัสาระเมติสาธาโวดดราสปุริตาตั้งหลตั้งยินใจมวหมูอันดังอยู่ฝังธรรมจงชักจาติดต่อ บทบาทคอบานีนิใหญ่มีป้อยนาจุงทำทาดาฟังยาจะดังป้นหมู่อย่าเก่ากําดแปลงใจใส่จื่นจอยตัวตามถอยกรทมธด้วยขบย่ำเตียงมันอย่าคืดดันหลาตัางนั่งอยู่กลางขวงแก้วใจอย่าแอวดงนา อย่ากึดหาตรงกว้างจุงกึดสร้างปาระมีฟังดีๆจือไว้พิจารณาไตาตัวไฟแม่นบทใดกวรขวางจุงละห่างพระนี้บทใดดีกวรใจจุงเอาไว้กับตัวเอาเป็นขัวเตี่ยวไตเพื่อเข้าไกเนราปานอติตานิทานแต่เก่า อาจารเจ้านำมาขอศรัทธาจูผู้อดใจอยู่จามฟังก่อนและนะเอวัมเมสุตังอาติกังนิตาดาวาจดังกัมมีตุนว่าเอวัมเมสุตังนิเรวเป็นกัมเก้ากัมจา แห่งมหานันตะเทระเจ้าหากได้เล่าไขาปันแกอรหันบ่อน้อยมีห้าร้อยเป็นทาราเมื่อสังกยายนาแรกเก้ามีมหากสปเทระเจ้าเป็นพ้าทานเป็นอุเทสวานเก่าจี้หือรูทีตามมี พระโมนีบอกไว้ข้านี่ใดยินมาเป็นกำจาต่อตาว่าบ่าใจข้าทริจาหากจำมาแต่เก้านำมาเล่าใครปันและนะเอกังซามายังยังมีกาละคาบหนึ่งพระภาาว่าอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าติโลกาเาเด็ดมายัางอยู่ แก้วกูกูดีอันเศรษฐีผู้ใหญ่มีติ๋วไม่วานาทหากสาะเขาของนักโสดได้ห้าสิบสี่โกธเป็นพมาณสื่อส่วนอุญญาณใหญ่กว้างมีจืออ้างว่าเจตวันสร้างจู่อันพร้อมแล้วาวายแ ก, แก้วตั้งสามเป็นอารามกว้างใหญ่ อยู่จิมไกเบืองสาววทีรยาตาและมีเมื่อใดดังอันตาตาในกาละเมื่อนั้นอันว่าเจ้าพิโคตั้งลายมวนหมูนั่งพร้อมอยู่รองธรรมก็จะกำเป็นเหตุจากือพระเจ้าเตาเตสนาวาอุโสดุรา กัตนตั้งหลายเฮยมวนมาคาคืดหลากสังกาคนหนาหนาในโลกสุขทุกโศกสูนกันล้างพ่องหันลำบากอดกันอยากอาหารเป็นตุกผ่านมวนเศร้าถึงเมื่อเท่าจะราป่อยมีมามวลมั่งเข้าของลังมาจู่ล้างพ่องดูมั่งเตา้า เถองเมื่อเท่าจะราป้อยอนาธานอยากไรมองมนไม่เสียสีสันได้มีดังอีโบแจ้งทีหันใสและนะอาถาภากาว่าเมื่อนั้นรับปัญญุตนผ่านแ้วผาแปรแล้วหมูภัยมารพงสำรานยังอยู่ในแก้วกูกูดีโสตัญมีเป่งป้อย ในยินทอยกำจ่าอันสังฆมวนหมูคใครเก่าอยู่โรงธรรมพระองค์ํำเป็นเจ้ามีใจเต้าคุณนาจริงลีลากาภาศเด็ จ, จากกูดีด้วยสริวิลาดไปนั่งเดืออาสนะแล้วพุทธชาที่ทอยด้วยกำจืนจ้อยวนหู ว่าพี่ก้าเวดูราพิ่คู่ทรงตนทารงสินใสใจจ้านั่งพออนาอย่างยายตันตั้งลายมวลหมูจากเก่าสังจาหันเรามาจวนใสจริงยังไหวบเบาเจียนจานันจาตีนั่นเจ้าพิคู่ตนชาลาดก็อภาิวาททุนสา ือพระพุทธเป็นเจ้าใดหูวเก้าตำมีพระมูนีหูแล้วกาไขขออุบแก้วเตสนา <c oughs> วาดูราพีโกตั้งหลายมวลหมู่มนุษย์อยู่โลกามีนานาต่างๆพ่องตุกห่างไกลตนพ่องกังวลบ่เหือดห่อนไม่เดือดนานำ ย้อนเว้นกรรมคืนครอบสั ญ, ญงตอบตววตนบอใจหันแต่กี่ในจาดนี้บัดเตียวเมื่อเราเตี้ยวโลกไต่ก็เคยได้หันมาแลยนะกันพระปุถากาเต่านี้แล้กก็ให้คาหับขาอูบแก้วบอดเจียนจาตินั่นเจ้าพิคุตนนฉลาดก็อาิวาตนามัดสการ ว่าติตาดีตานหลวงแล้วเมื่อพระตนแก้วปั้มเพ่งทำเรร ม, มือนนาหนำนกแกไขหูแต่สันใดขอพระไขก่กาวแสงฮือสว่างแจ้งแนวนาวแดดเตตีนั้นสัมปัญนอยู่ตนผ่านแผว จิงไขข้าอบแก้วเตะสนาวาติเตกิราพิงคาเวปาราณาสิยังดังนี้เป็นต้นวาพิฆาเวดูราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยาจตาเจือนักผาธรงยานหึงเบนนานหลวงแล้ว เมื่อเต้าตนแก้วพรมตัดราชาเป็นพญานังจ้างในเมืองกวางปาราณสีญาตาและมีเมื่อใดดังอันตาตาในกาลนันไซ ย, ยังมีขี้ไรผัวเมียพ่อแม่สีอาผักขางปีน้องหางดีไกตุกทนัดใจบ่อน้อย อยู่ตูบหน่อยมุงค้าหนอกปา ร, ราเมืองกว้างไัยบ่ออ้างจะาเร็วอยู่หลังเดียวไก่หมูแป้งตูบอยู่จูดินแอลหากินเลี้ยงไส้ตกหมาดไม่เหลือใจผัวผัวไปสอดป่าศอพักญามาขายเมียฟันภายไตเต้าซอต่ำเข้าในเมือง ตาวันเหลืองตำเจ้าจริงปอกนาขึ้นมาสู่เกหาตีเก่าถึงเมื่อเจ้ายามันก็เอากันออกกว่าบอกเว้นว่าวันใดและนะ่ะเตโอโฟตุ ก, กตาตั้งกูอดสร้างอยู่จอมกันจับหลังวันมาดไม่ผัวบ่ได้อันใดเข้าดงไพรฟังเป่าปิกปอกเต้ามาได้ เมีผพันภายรับจ้างไัยบ่ออ้างยินดีเขาเขามีเต็มใต้น้ำเขาใส่เต็มหาบ่ามีไผยจักจางลวดเป่าว่างมองเงาตกบ่เบาทางคอนวะบูร่อนหลายอันจับลังวันโจกใหญ่ได้พ้อมไข้าลายผาการ ตั้งข้าสารกล้วยอ้อยพริกด้วยน้อยขัวใบของกินได้เลือลาเขาก็หากย่อปันได้ทุกอันทุกสิ่งของกินยิ่งนานากลางวันหาบ่ได้มองมนไม่ไปไหนเป็นทุกข์ใจไม่มาดเข้าน้ำขาดแลงง่ายย้อนกำไลปังก่อนมาไหลตอนตัวตัน วัวเล่งหันเกิดรอดกนิงสอดตามทมจริงไข่คำต้านต่อแก่นางนอภริญาวาดราสัยสีเนหาเฮหยหน้อยอ่อน <c oughs> แต่จาดก่อนเดิ ม, มาสองเราราตั้งกูเตียงบ่ยู่ตามทมได้กระทำกำหยาบอันเป็นบาปสามานบ่ได้เอตานเขานำประตุพัมตามมี สิ่นเจียงเจีหาเสน้นใดลีกเว้นเสียไก่เกิดมาในจัดนีบาปบุรีไก่กาจริงตัวมาตอบทายเฮเราไราตกพานบ่สำราญกันยากตกลำบากตรลนบ่มีคนจวยกำขาดเข้าน้ำปัจจัยแต่นี่ไปเมื่อนา นางอยาว่าใจด ำ, ย า, ำยากะตำยากะตำกำํายาบอันเป็นบาปนานาอดรักษาอย่าเว้นสินหา้าเซนเชียงคานแม่นตุกผ่านกันยากย่าได้ภากเสียสินแดเตอ วันตีนั่นฝ่ายนางเมียกำพ้าบ่ต่อตากำได้เต้าอยู่ไปจะใจเบนอยากไรเครื่องกาน า, าถากันอยากก่อบ่รักเสียสีนและนะตาตัวปัทธายาแรกแต่นั่นไปไปนาบ่เนินจากหึงนานห่อปพ่ที่านบุญกว้างอยู่เสพสร้างคงสวรรค์ มีอายุขันเสียงขาดก็ก้อยกาดลงมาจากตูสีดาแห่งห้องเข้าสู่ต้องนางผ่านบ่อปอนานสรำสิบเดือนพัมบัวระมวลกาละกวนมาไข้ดังก็ผาสุดใดบุตตามีหลักคานาผาเสื้องามลำเลิดเปิ่งแป้งพ่อแม่แฟงอยู่เฝ้า อนน้ำเข่าเอาใจมีของใดยืนตอนฮือลูกอ่อนใจจมฮักอุดมลูกน้อยใจจ่องห้อยแปงปันจิงใสจื่อปันลูกเต้าว่าไอลูกเก้าจันตาคุมานว่าอันกอมีฮันแลยนา ฉันตากุมมนนานดอกแก้วเกิดมาแล้วดูดีบอ่่อนมีเมยไขรบ่ร้องให้เววาก้อยใหญ่มาเตือนน้อยน่าจื่นอจเจยบบานฝ่ายนางผ่านผู้แม่ฮักลูกแก่เหลือใจจักไปไหนไกลไกบ่ละไว้เกหาอุ้มบุตรตาบาต่พาก้นลำบากแตงปัน กันผายพันเตียวต้องไปรอดห้องเรือนได้เขามีใจจมจืนเข้าของยืนย่อท่านย้อนสมปานลูกน้อยบ่อตำก้อยมีลาย <c oughs> คนยิงใจหันแล้วใจฟ่องแผวยินดีของกินมีลายสิ่งรสนิ่งนานาตั้งพะลาลูกไม่เข้าบ่อไว้ย่อปัน ย้อนเล่งหันโลูกเตางามบ่เศร้ า, าปุ่นจมความขี้ขมไม่มาดกอกไกยขาดบางเบาบ่าบาบาามองเหงาหมวนไม้ของเครื่องใจมีมาตั้งสองขาพ่อแม่มีใจแพ้เจอย้านจากาจากัมวานอิงอ้อยซึ่งลูกน้อยใสยใจแต่นั่นไปไปนาพอเดินจากหึงนาน เมื่อจันตากุมมานขึ้นใหญ่เจ็ดเดือนไข่ยามใดโรกาไพหไหลลูกมาต้องถูกกาญะแห่งปิตาป่อเจ้าตั้งแต่เจ้าถึงแรงเปียที่แข่งลายแล่สระแผ่ไปในเหื อ, อย่างไข่ย่อยหยาดลวดก้อยกาดมาราณา ลาภรินญาหนุ่มนาวเฮือโร้าจอมลังลาเสียยังลูกน้อยไปรูถอยกำจ่าเฮืออนาถากำพ้ากมนากว่าวอยยและนะสาปิโคสวนนา่งผ่านกำพา้าผัวตายกว่าเรียวปั้นหัวอกตันเอาไม่ร้องรำให้ปาริเตวานาวาสันได้จ้าปิเจ้า มาดว่วนเข้าเบื่อมอนลายังคอนตอดสาคือลำบากนำนาสังลาบุตตานอลาเป็นกำพายามแดงไผ่จักแฝงอยู่เฝ้าเลี้ยงลูกเตาคำใจตั้งวงสายพ่อแม่บอกมีแกแดนได้จักมีไผยใจกว้างมาจวยสร้างสงสัการ เราคนผ่านอยากไรภไยจักไกรุมราปูนคุณนาลูกน้อยไปรูท้อยกำคนบิบากดลลายหลากพ่อตายจากเกลียงไว้จักมีไัยพออนาลูกกำพ้าคนผ่านนี่จ้านางปริเตวานาลายแลกกิ่งพัดแผ่ไปมา และออกไปจับบอกงูอันตั้งอยู่แดนไก่ย่อมเข็นใจจูผููเกยขึ้นสู่หากันขอมาปั้นช่วยสร้างตกแต่งห้างทรงสาการตามโบราณแต่ไทยแต่งตามใดตามมีแลยนะตาต่อปรังทัดแต่นั่นไปนานาังนอลาคนผ่านเวนมาปั้นตอบใส่ได้เป็นไม้ผัวตาย โสกตกไหลทางต้องในแห่งห้องหัวใจอดอยู่ไปคําเจ้าที่ตุกเก่ามุงคาอดรุมราลูกน้อยงามจื่อจอยใจเดียวดังตกเปี้ยน้ากว้างไัยบ่ออ่างเล้งหันกันยามวันมารอดอุ้มเอาหยอดบุตรตารีบไก่กาไตเตาซอกต่ําเข้ากระตากัน แลลเข้าสารลุกไม่ตาวันไก่ลงแรงอุ้มจอมแป้งลุกลาปิ๊กปอกนาขึ้นมาสู่เกฮาตีเก่าดังนี้เล่าจูวันวันปีเดือนปันจูจอดกันเจ้ายอดบุตรตามีว่าซาขึ้นใหญ่สิบเอ็ดเดือนไข่เตงดีเปียที่มีบ่โนยมากจ้องห้อยสันดาน แห่งนางผ่านผู้แม่สระแผ่ตั้งตัวตั้งเจ็บหัวเหมยไข้ร่อนเอาไม้ตั้งคิงจักต่วงติ่งยินอยากได้แต่ปากไข่จ้าบอกสายตาลูกเต้าฮืออยู่เฝ้าเตรียมตนนอตาสะ้นยอดซอยดังรู้อยกำจาบอกไก่กาจากแม่นั่งพัดแผ่ริมนาง บ่ออือข้างร้องไห้นั่งอยู่ใกล้แม่แฝงนางจอมแป้งแม่เจ้าร้อนไม่เอาเลือลายนั่งก่อไม้สอดรูบอ่อาจอยู่ยืนไปว่าเป็นสันได้ก็แล้วบ่กาดแก้วตั้งตายอินดูใจลูกลาเป็นกำผ้าขี่มอง ไพ่จากปองมาพอเอายังหนอใจเดียวไพ่จากเต้วมารอดเอายังยอดบุตตานยอนเกหาที่อยู่ไกลจากหมู่คนไลยไพ่จากไกมาไกเอาไปไว้แป้งปันแบนไหลายวันดวงแล้วไพ่โบเอลมาเติงไพ่โบเลงมารอดตนเจ้ายอดบุตตเตียงมรณาการก้อย กางตบน้อยไก่ค้นนางเว่วนไม่มาดน้ำตาหยาดลำไหลยินอะไรบ่แล้วยังลูกแก้วเตรียมคิงเจ้าตวงติ่งยินอยากจักออกปากเกลือใจเต่าเล่งไปสั้นพอยังลูกนอสายตาแล้วมารณาก่อยขาดชีวิตขาดอินที ลาบุญมีนอลาเป็นกำพาเดียวปอยก็มีฮันแลยนะอันว่าจันตะกุมมันนอลาบอกว่ามานดนได้ไก่กาก้อยกาจีวิตขาดเสียตนยังเววนอยู่ไกล เขสอดใส่แฝงจมปากดูดนมฟ้าฟาดมือตื้นหยาิก็พันดังตั้งวันเมื่อก่อนเจ้าน้อยอ่อนคำใจบอกกฏหมายหูใดว่าแม่ไทยเมื่อมนถึงยามนอนมารอดกอนอนกอดมันได้เวว่าแอร์เปื่อกหือแม่เอาใจ แม่บอกไข่ปากตอตนเจ้าหนอจอมแป้งให้เหลือแรงอิดมอ้อยดักแล้วก็แอบลับไปกันตาวันใสสองฝ้าเจ้ากำภากุมมานกอลูกการร้องให้อยู่จิมไกมานดายกหัตธาสุกสู่อาปากสู่หานม สองมืองมไต้เสือแล้วลูบเนือ้อกำคิงแม่บอติ่งคาดางบอกเกาวอังไข่กําเจ้าองค์ขหยอดซอยให้สะซอยปูนวอนนั่งแล้วนอนหลายปอกน้ำนมบอออกมีมาเจ้าวเววาพัดแผดดูดนมแม่พี่ตายกืนน้ำลายตัวเก่าดูดลืมเล่าหลายตี <c oughs> ของใดมีอยู่ใกลคือลูกไม้หัวมันตั้งกุ้ยจันทร์กุยตีบเข้านมนีบสูนเกลืออันข้างเรือเมื่อก่อนเจ้าน้อยอ่อนเก็บกินหายเมาวินอย่าเข้านอนแล้วเหลาหลับไปกันยามใดตื่นแล้วเจ้านอแก้วกุ้งมานกอลูกการพัดแผ่อยู่ใกล้แม่เหลือหัว การขึ้นตัวแม่ไทยมือสอดไข่สวมกมดูดยังนมแถมเล้ากินนำเน่ามันดาเจ้าบ่อนาจักรูัวว่าแม่หมกหมูมือมอน เอิ่งยำนอนมารอดกอเข้ากอดนอนแฝงยามหิวแรงอยากเข้าดูดนมเล่าตววไปของอันใดอยู่ไกลเจ้าบ่าไว้เก็บกินตัวเป็นดินแปดปาย พ่อผางไร่นำนาไผบ่ามาจูจอดไผบ่สอดมาหันหลาขึ้นวันมาไข่แม่เจ้าไก่เป็นน้องแมงวันปองสะสู <c oughs> นอนเป็นหมูล่ลวงหลเจ้าบนไผยกำผ้าสองมือกว้าเก็บกินที่ตกดินหลายลาเก็บใส่ปากดูลำ ย้อนเว้นกรรจัดแล้วบ่อกาดแก้วตัวตันเว้นบ่อพันลีเกลียวคือได้เกี้ยวกินนอนนั่นและนะจู่ตะกแม่นมีผู้มาจากเ่าไข่หูขาวเหมือนนานว่าจันตะกุมันดอกแก้วแต่จัดแล้วปังหลังก็ตําสังแบบใหญ่ จิงมาได้กินนอนนั้นเจ้าผู้จักจ่ากาวแก้เหือเสียงแก่สงสัยก็อขวัไขกาวทอยว่าเจ้าหนอน้อยกุ้มันแต่เมือนานหลายจาดได้เสวยราชเป็นพญาบอคุณนาไพไตอาดหญ้าใสจำไป นำคนใดมวลหมู่ออกไปสู่ดงดานลากวางฟ้า น, นกเนื้อไปรังเรือหลายวันบจ่จวบหันสั์ป่าเต้าโคตรกาเหลือลายเต้ยวผันภายลืมเล่าไขตีเก่าลายปางไปหันกวางตัวใหญ่ตายปอไก่เป็นนอนเต้าผู้ทอนโคตรเฮาร้องเอิ้นเป่าเสนา เือเรียวมาพ่อหมูแวดล้อมอยู่ใหญ่ๆไค่กําไปป่งขาดว่าสูจุงปาดกวางตายกินได้ๆอยากกินต่อหน้าตนกูเหตุว่าสูมวนหมูเข้ามาสูดงด้านหากวางฟานตัวไม่บ่อจวบได้ดังใจแม่นคนได้บอกเขากินกินเนาตัวจุม กูจักสุ่มไฟใหญ่ปาดคอใส่กองไฟเสนาในน้อยใหญ่กลัวเตาไทยแต่งฟันบ่อได้พันปิกปอกหไหวน่าออกเพียงใจจิงแข่งใจบุญเข้าจิ้นกินจิ้นเล่ากว่างตายวิบากมายหลายจติบ่อได้ขาตัวมาตนพญานันเหล่า ได้แก่เจ้ากุ้มมานกัมมาปานตันไข่จริงจักได้กินนอนเปลืออันแลนะ่าตาตาในกาละนั้นเล่ายังมีหญ้าเทาตกผ่านบ่อมีลานและลูกตุกต้องถูกเลือลายอยู่เดียวได้เป็นไม้อยู่ตีใต้เวียงใจ มันเตียวไปซอไซเปื่อหาไม่แลลลัวหันกาหนัวเป็นหมูบินสะสู่ไปมาตีเกหาตูบน้อยแห่งยอดซอยกุมามรลมปัดปานกินเนามาถูกเขาดังมันมันก็อพันกึดได้ว่านางอยากไรผัวตายอุ้มลูกไกน่นาบานเอินปากตานไข่จะหลายวันมาหลวงแล้ว บ่หันแอลไปเติงเตียงขี่เกิงร่อนไมหรือตายไก่เปิงมีเป็นซาพีเน้าโอพับไข้โคนำนาตั้งหมู่การำร้องก็แม่นจ่องเคยหันมันเรียวปั้นสาไสาเข้าไปไกลเก้หาหันกับตาแจ้งทีบอมีตีสงสัย นางใส่ใจอยากใกล้นอนตายใกล้เป็นน้องแมงวันปองสะสูนอนตายอยู่ลวยไายหันเด็กใจอ่อนน้อยตัวพักพอยไลเลน <c oughs> บ่หู้เมนหู้สาบอาปากาบกินนอนอยู่หิ้มคอนซากแม่ญาตาเท่าแกเข็นใจเล็งหันใสแจ้งทีบ่มีตีสังกา มีกาญยาไว้วันสะต้านสันตั้งต ma ัวมีนั่งหัวยักแาวรีบฟังเฝ้าพระนีเหตุกัวผีจอมกว่าหกลัดป่านำนาบ่ทำหาตั้งใจเอาสื่อไว้เป็นไม้สองตาลายบ่ที่พองตุกตีเหมือนหันป่านยาดันเศร้าเศร้าซ้ำเป็นเน่าตัวมา อย่าจะราถอยไร้ว่าผีไล่ต้วหลังหูก็กวังวองวองดังเสียงร้องตัวไปเท่าเข็นใจยิ่งฟังเล่น้าตั้งตาแหสองตาเล่ปลายนาบ่อเลียวกว่าปลายหลังไปถึงยังตวบน้อยใจจ่องห้อยกัวผีขั้นได้มีบ่อขึ้นหกจากปืนไปบนใจเมาวนกังไก ปากบอดได้เป็นกำคอนมตำวักญยาดพาปุดขาดหลายหูล้มออกหูวัดวอดล้มเต้าตอดกางเฮือนก็มีหันแลยนะเตจจานาอันว่าคนตั้งหลายมากเต้าหันญยาเท่าคนผ่านเล่นเบือนฟ้านฝั่งเฝ้าขึ้นสู่ดาวเกหา เขาก็มาเป็นหมูแวดล้อมอยู่ใครจะว่าเป็นสังจาแม่เท่าอิดแต่เล่าเหลือหลายหรือคนใจแก่ข้าวไล่นองเน่าตัวมาสันใดจาภาขาดเสือมีญาติจะรือหรือพี่สือยักกาจักกุมก้าป้าไปนั้นจาญาจราระแก่เท่าหายใส่เจ้าหายใจเศร้าสุสา โลกขึ้นมาบอกล่าวฮือหวข่าวตามรายคนตั้งหลายน้อยใหญ่ยินเอาไม่โซกาเกิดคุณน้าคาค่อยน้ำตาหย่อยใจตันจิงป้ากันวันมากไปเลิกซากทรงสะการตามโบราณแต่เก้าแล้วฮือหย่าเท่าคนผ่าน นำกุ ม, มารหนอไทยมาเลี้ยงไว้ในเฮือนก็มีวันนั้นแหละนาเนธีตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุแปดแหล่งออกยอดผูกเกา่าเมื่อหญาเท่าคนผ่านนำกุ ม, มารหนอนน้อยไปหูทอยกำรคนไปเฮือนตนเลี้ยงไว้จักศกไม่สันใด เรือสุกใจป้ายดาก้อยอยู่ธาดาฟังผูกน้ยังไปแจง้งก้อยฟังแทงผูกซองกอบังกมสมริดเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล